ที่ทำ Angry Birds เนี่ยจำ Angry Birds ได้ป่ะ Angry Birds นี่โหเมื่อ5ปีก่อนนี่้หดังมากเลยทำรายได้ให้กับบริษัทนี่มากกว่าโนเกียตอนนี้ได้ขา่าเจ๊งมาแล้ว5ปีก่อนเคยทำงานบริบรษัทนั่นก็ถือว่าหรูโก้แต่ตอนนี้ก็ต้องหางานใหม่แล้ว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 พิชาชีพเนี่ยเรียนแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้นะหลายคนเรียนนิติศาสตร์ได้ปริญญาเรียนจบวิศวะหรือว่าจบครูจบสถาปัตย์จบเพสัชใช้เวลาสี่ถึง6ปี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 ในสามที่แกได้ความรู้สองในสามที่แกได้เอามาใช้ในการารักษาคนไข้ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนในคณะที่เป็นนักศึกษาหรือคณะที่เป็นแพทย์ประจำบ้านเลยแพทย์ประจำบ้านหรือ resident ก็คือแพทย์ที่ไปเรียนวิชาเฉพาะทางก็หลายปีเหมือนกันนะสามสี 3, 4, ่ห้าปีเรียนมาต้องเยอะแยะปรากอว่า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 โดยเพราะกายกับใจจนสามารถที่จะเป็นมิกับตัวเองได้แล้วก็ทำให้ใจและกายเนี่ยมาเป็นมิตกันเกื้อกูลกันอย่างที่ได้พูดไปแล้วเมื่อวานว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นมิกับตัวเองเท่าไหร่โดยเพราะจิตใจนี่มันก็กลายเป็นปฏิปักษ์กับเราอยู่บ่อยครั้ง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 หมายที่ท่านอย่างรับประาการที่สิริราชก็มีคนไข้คนหนึ่งวัยกลางคนผู้ชายตัวนี่ซีดผอมไม่มีเรียวไม่มีแรงนะต้องนอนเปรมาให้คุณหมอตรวจขนาดนั้นชิ้นนะไม่มีแรงนะคุณหมอก็ดูอาการแล้วก็สักถามคนไข้สักพัก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 ไม่สลบเลยนะยาเนี่ยหมอรมยาแล้วให้สลบแล้วแต่ว่ายาทำอะไรไม่ได้เลยตาแกค้างตลอดเวลาเลยหมอแปลกใจนะ้วทาไมไม่สลบจนกระทั่งแกขอขอยืมโทรศัพท์จากหมอสั่งเสียลูกน้องเสร็จคยนี่สลบเลยนะไอความกังวลเนี่ยนะถ้าจิดมันมีความกังวลมันไม่ปล่อยไม่วางนี่นะ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 ฝึกใจไว้ดีนะมันก็ทาในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคุณมอซูมาลีนิมานิทเนี่ยเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านลกไตของเินิล่ามเสียชีวิตไปหลายปีแล้วท่นเล่าว่าเคยมีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นโรคพุ่มพวงคือว่าภูมต้านทานมันทำร้ายตัวเองทำร้ายอาวัยวะตัวเองทั้งนี้ว่าร่างกายไม่เป็นมิตรกับตัวเอง ตอนอายุสิบสองเนี่ยเคยโดนหมอเนี่ยฉีด ท, ที่สันหลังหมอคงจะมือหนักนะแล้วก็ไม่มีจิวิญาเด็งนี่ปวดมากเลยปวดจนเข็ดหลาบเวลาเจอเข็มนี่นะจกลกลัวมากเลยบางทีร้องกรี๊ดแล้วก็เป็นลมไปเลยเพียงแค่เห็นเข็มเนี่ยนะนะ จิตเนี่ยมันฝังใจนะเวลาเข็มนี่มันปรุงไปเลยนะแล้วก็ผวาหมอนี่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าคุณหมอสมารีเนี่ยนะพอมาถึงมอืมอมาถึงมอือหมอคุณสมารีหมอก็เข้าใจนะพยายามทำให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจความกลัวของตัวด้วยการเรียนรู้การเอาความกลัวระบายออกมาเป็นภาพ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 มันมีพลังมากนะเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้ในทางที่เอามาใช้เป็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับความปวดได้นะโดยที่ไม่มีอาการทุกข์ทรมานนั้นอนุภาพของจิตเนี่ยมันมีพลังมากอยู่ที่ว่าจะใช้ไปทางไหนถ้าปล่อยให้มันถูกข้องกับในความกลัวความตื่นตระหนก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 สามวันสามคืนก็ยังไม่เห็นวีแววของผู้คนหรือว่าชุมชนเหนื่อยล้าเต็มทีแกก็รู้ว่าถ้าแกหยุดเมื่อไหร่เนี่ยตายแน่ก็ต้องพยายามที่จะรวบรวมกำลังใจเดินไปให้ได้ไกลที่สุดเดินไปได้พักใหญ่ก็หมดแรงก็คิดว่าตายแน่ทำใจได้ละถึงจะต้องตายในใจก็อำลาลูกเมีย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 เชนเป็นมะเร็งเนี่ยนะบางทีแม้ว่าใจจะสู้หรือว่าใ จ, จยังเป็นปกติแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวก็ <_ S 1> อาจจะไม่รอดนะแต่ว่าในระหว่างที่ป่วยใจก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรจิต ท, ที่ไม่รักษาไม่ดูแลเนี่ยมันจะซ้ำเติมตัวเราให้ทุกข์มากขึ้นแทนที่จะป่วยกายอย่างเดียวก็ป่วยใจนะแทนที่จะเสียทรัพย์อย่างเดียว นะก็เสียสุขภาพจิตไม่เป็นอันทํางานเสียงานกินไม่ได้นาะไม่หลับเสียสุขภาพนะอารมณ์ไม่ดีใครมาหยอกมาล้อ ก, ก็โกรธดา่าทะเลาะเบาแวงกันเสียเพื่อนอบอ่อยครั้งเราซ้ำเติมตัวเองเวลามีเหตุมาเหตุร้ายมากระทบเราก็ทำให้เสียเสียยุบเสียยับเนะี่ยตามมาแต่ถ้าเราฝึกจิตเอาไว้ดีนะ ถ้าป่วยก็ป่วยเอยงเดียวคือป่วยกายไม่ป่วยใจถ้าเสียก็เสียเงเดียวคือเสียทรัพย์นะแต่ว่าอย่างอื่นไม่เสียถ้า ง, งานล้มเหลวก็รล่มล้มเหลวแต่งงานนะแต่ว่าตัวเองไม่ล้มเหลวงั้นอย่างหลวงพ่ อ, อมเคียนเนี่ยท่านทำงานเยอะนะโดยเพาะ ง, งานพัฒนาชาว บ, บ้านทำมาหลายอย่างทั้งเรื่องศูนย์เด็กทั้งช่วยสงเคราะห์เรื่องสหกรข้าว ชักชวนชาวบ้านทําเกษตรผสมผสานฝึกอาชีพชาวบ้านนอกจากการสอนวิปัสสนากรรมฐานท่านทํา ม, มาเป็นสิบปีคนถามท่านว่างานหลวงพ่อสําเร็จไหมหมายถึงงานพัฒนาชุมชนนะนะแล้วบอกงานล้มเหลวนแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมันไม่ใช่แค่ ง, งานล้มเหลวนะ ตัวก็ล้มเหลวด้วยรู้สึกว่าตัวเองนี่ไร้ค่าไม่มีคุณค่าเรียกว่าล้มเหลวทั้งงานล้มเหลวทั้งตัวเองอันนี้เพราะจิต ท, ที่มาไปซ้ำเติมถคนที่จิตเขาฝึกไว้ดีเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่ว่าตัวเองก็มีความสุขได้ยังกินได้นอนหลับยังมีกำลังใจอันนี้คือคือสิ่งที่เราทำได้นะสิ่งที่เราทุกคนทาได้ถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรา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 มันก็จะเปิดช่องให้ความโกรธความเกลยียดความเศร้าเข้ามาเล่นงานจิตใจเล่นงานไม่พอนะยังใช้ใจเนี่ยไปทำร้ายซ้าเติมตัวเองหรือว่าทำร้ายผู้อื่นด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งบุปกาดีและคนที่เรารักทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องนะกับอาการที่เรามาเรียนรู้วิชาชีวิตและไม่ใช่เรียนรู้โดยการอ่านการฟังแต่ต้องเรียนรู้จายการปฏิบัติ